ตอนความรู้หรือปัญญาวันที่10พฤษภาคม2558กราบนมรดกการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกัลยะมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆนะก็เหมือนพวกเรามีอีกหน้าที่เป็นงานใหม่นะนอกจากคืนวันเสาร์แล้วก็มีคืนวันอาทิตย์เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคนไม่มีปัญญาไม่มีสติมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสกำน้ําไหลลงที่ต่ำนะแต่ถ้าคนมีสติมีปัญญาเรารู้เท่าทันความแปลงเปลี่ยนแปลงนั้นที่เขาบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตกลายเป็นโอกาสนะเราหยุดความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราต้องรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองนะก็วันนี้มี หลายคำถามอยู่เนาะก็จับมาเท่าที่จับได้นะจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้นะก็ก็เข้าเข้าประเด็นคำถามเลยเนาะยังไม่ได้อ่านเลยนะคืออะไรปฏิบัติแล้วผลที่เราได้รับสูงสุดคืออะไรคะตอบพ้นหรือจะเอามากกว่านั้ น, น ทำไมต้องพ้นทุกข์ด้วยนะบางคนถามพ่อครูนะเพื่อนเพื่อนฝรั่งพระครูก็เคยถามทำไมาศาสนาพูด ท, ทุกอะไรกันมากมายทุกสมุทัยนิโลดมักอะไรคือตัวทุกอะไรคือเหตุแห่งทุกอะไรคือความดับทุกขอะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกเขาบอกว่ามิตรพูดเรื่องทุกเลยทุกอะไรกันนักหนามองโลกในแง่ดีได้ไหมนะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มองโลกในแง่ดีไม่ได้มองโลกในแง่ลา ย, ายแต่พระองค์มองโลกในแง่ความเป็นจริง เรามีทุกข์เป็นประธานนะพระองค์ก็พูดเรื่องสุขพูดอย่างเดียวก็คือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนั้นเป็นสุขแท้สุขซึ่งไม่มีของคู่ตอนนี้ชีวิตเราสุขสุขดิบเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันไม่ใช่สุขแท้ถ้าสุขแท้แล้วนี่ใครเปลี่ยนเราก็ไม่ได้คำตอบนี่ก็คือว่าสูงสุดคืออะไรคือพ้นทุกข์บางคน ลองทำครั้งแรกก็ทำได้แล้วบางคนพยายามทำก็ไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะคำตอบคือนาน า, นาจิตตังมันไม่เหมือนกันเกิดมาวันแรกลูกฝาแฝดคนนี้ขี้แย่คนนี้ไม่ขี้แย่คนนี้ไอคิวสูงไอคิวต่ำไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนกําหนดกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างมาเป็นตัวกําหนดอย่าไปแข่งกันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งบุญวาสนาไม่ได้มันไม่มีสูตรสำเร็จถ้าเราไม่มีเวลามาที่ศูนย์เนื่องจากภาระหน้าที่ทำเองที่บ้านจะได้ไหมจะผิดไหมได้ตำรวจไม่จับผลตอบรับที่เราปฏิบัติใครจะเป็นผู้ตอบเราคะจิตเราจะบอกเราเองมันเป็นปัจจัดตังเวทีตัพโพวินยูฮี เป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนมันไม่ใช่คําตอบแบบเหตุผลบัต ก, กะพอเรายกปุ๊บเราก็รู้ว่ามันหนักนะเออพอเราวางปุ๊บเราก็สัมผัสความเบ า, านั่นแหละคือคําตอบสัญญากับอุปทานเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราปฏิบัติเพื่อล้างสัญญาหรือเพื่อล้างอุปทาน ผู้เจ้าบอกดับทุกดับทุกเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกคือตัวกิเลสนะกิเลสเหมือนสัญญานะแต่กิเลสไม่ใช่เป็นตัวทําให้เราทุกข์ผู้เจ้าบอกดับที่เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหานะตัวสมุทัยคือตัวตัณหาแต่ตัวตัณหาที่มาของมันก็คือกิเลสเรากินหวานบ่อยๆเราก็ติดหว า, านเราก็อยากกินหว า, าน พออุณหภูมิที่เราติดมันกิเลสเราแรงปุ๊บมันก็มีความอยากกินหวานเมื่อได้กินหวานแล้วเนี่ยอุปทานก็เกิดก็รู้สึกพอใจมีความสุขแต่ถ้าไม่ได้กินหรือว่ากําลังกินอยู่เนี่ยเข้าไปแย่งไปก็เลยทุกนะเอาเป็นว่าสัญญากับอุปทานไม่เหมือนกันแต่อุปทานก็เกิดมาจากสัญญานะก็เหมือนตัณหาเกิดมาจากกิเลสเพราะครูเคยพูดให้ฟังว่า26ปีมาอยู่ที่นี่เนี่ย สมองซีกซ้ายพาะครูยังจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยกินเหล้าทุกยี่ห้ อ, อ, อสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่องเป็นเวลายี่สกว่าปีเราเคยโกหกเราเป็นพ่อค้านะเราเคยยิงนกตกปลาเราเคยกินอาหารจานโปรดที่ฝรั่งเรียกว่าทีบงสเต็กนะอร่อยอร่อยมีความสุขมีความสุข แต่ปัจจุบันนี้พรอครูไม่ได้ลืมนะสัญญาตัวนี้มันยังไม่ลืมมันมันยังจำไม่หมดแต่ว่ามันจำรสชาติมันไม่ได้มันจำอารมณ์ที่เราสูบบุหรี่ไม่ได้จำทีบงสเต็กมันอร่อยแบบไหนมันจาไม่ได้คือมันดับอุปท า, านตอนนั้นแล้วนะเอาเป็นว่าเหมือนเทวานะก็เป็นคนพลังทราเวดเนี่ยหลายปีก่อนมาหาพระครู แกบอกเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งแล้วผมเบี่ยงทิ้งนี่ผมจะจําแม่ผมได้ไหมบอกงี้เล <c oughs> เรายังจําได้แต่ความรู้สึกที่เรามีกับแม่เนี่ยต่างไปไม่ใช่เราเป็นคนไม่กระตันอยู่นะเราจะเป็นคนกระตันอยู่แต่เราไม่หลงอารมณ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยอุปทานมันเปลี่ยนนั่นแหละเอาเป็นว่าอุปทานกับสัญญาไม่ไม่ไม่ใช่คนละเรื่องนะก็เมื่อเรา จริงนั้นอุปทานมันที่ที่มาของอุปทานก็คือตัวตันหาผู้เจ้าบ อ, บอกให้ดับที่ตันหาไม่ได้ดับที่กิเลสนะแต่จะดับที่ตันหาต้องรู้เท่าทันกิเลสนะเมื่อเรารู้เท่าทันกิเลสกิเลสก็พัฒนาสู่ตันหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าเป็นตันหาปุ๊บนี่เป็นเรื่องเราทําจากความอยากปุ๊บมันมีเจตนาอย่างพระเสวภาหันท่านเดินธุดงมาที่ศูนย์นี่ท่านเหยียบมดตายตั้งหลายตัวเลย แต่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยท่านไม่มีเจตนาแต่ถ้าใครเอามดมาตัวหนึ่งเนี่ยมันกัดเราในเกียดมันมากแค่ตัวเดียวเนี่ยบันทึกแล้วอันนี้กลายเป็นวิบากกรรมมันเนื่องด้วยเจตนานะกรรมชี้เจตนาเคนะต้องไปเร็วๆหน่อยเพราะมันมีเยอะพอสมควรเนาะคำว่ารู้กับคำว่ารู้สึก เมื่อเราเข้าจิตได้แล้วเมื่อมีการแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาเช่นโกรธมากจนรู้สึกอยากทุบพื้นโวยวายออกมาเราควรที่จะแสดงสิ่งนั้นออกมาหรือไม่หรือการที่จะแค่รู้อารมณ์ว่าอยากทุบพื้นโวยวายแค่นั้นแล้วไม่ต้องแสดงสิ่งใดออกมา อันนี้ก็เป็นนานาจิตตังนะถ้าไม่อยากแสดงออกนะก็ไม่ต้องปฏิบัตินะก็แสดงกรรมสร้างกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไอการที่แสดงออกมาเนี่ยเรียกว่าอินไซเอาอันนี้เป็นเรื่องมหาสติปัฏฐานแต่ไม่ใช่ว่าต้องแสดงออกหรืออย่าให้มันแสดงออกพูดก็ไม่ได้นะเราเราสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนเราก็ว่าตายแล้วดับ หรือตายแล้วเกิดเนี่ยก็ไม่ได้มันมีคนตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกมีคนตายแล้วเกิดอีกการแสดงออกเนี่ยคนนี้แสดงออกแล้วเขาได้แต่คนนี้แสดงออกแล้วก็เสียนะเหมือนบางคนบวชชีแล้วนี่ได้นะบางคนบวชชีแล้วก็เสียแต่การบวชก็เหมือนกันอยู่ที่เจตนาในเวลานั้นนะ บางทีไม่ได้บวชชีนะบวชกล้วยบวชชีเพราะมันอร่อยนะเห็นไหมอยู่ที่ว่าเจตนาเราตั้งมั่นแค่ไหนเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตไม่ได้แต่อแหนเราต้องแสดงออกนั่นแหละคือกายเวทนาจิตรำข้างในมันสั่งร่างกายก็เคลื่อนไหวในขณะเดียวกันเราเอาอารมณ์นั้นน่ะเอาอาริยบทนั้นนะ่ะเราไม่ต้องไปกําหนดอย่างเราฝึกระดับเบื้องต้นคือขวาหนอซ้ายหนออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเราก็เคลื่อนไหวแต่เคลื่อนไหวโดยเราสั่งมัน แต่เราเข้าไปในจิตได้แล้วเนี่ยจิตเป็นตัวสั่งเขาก็เอาสิ่งที่เขาเคยฝึกมาเนี่ยเป็นประสบการณ์เดินหมีออกมาเราก็เรียนรู้กับมันนะไม่มีถูกไม่ผิดเพียงแต่ว่าถ้าเราไปนหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ดีแต่ถ้าเราแค่รู้ว่าเราไม่ใชยตัดทิ้งตัดทิ้งอันนั้นก็แค่เจริญสติคนที่เคยเจริญสติก็ไปติด ต, ตรงนั้นแหละนะ แต่ของเรามันจเจริญมรรคจิตนะให้อารมณ์ต่างๆมันไหลออกมาเหมือนเรายิงเป้าบินนะเห็นปุ๊บยิงเห็นปุ๊บยิงเห็นปุ๊บยิงพุ่งนี้มาเราเป็นนักยิงปืนเป้าบินเราจะเราจะไม่ยิงหอิงได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องเจอเป้าที่มันไม่แตกต่างกันเมื่อเราเจอแบบไหนเราก็ชํนานาญแล้วน่ยนั่นแหละต่อไปเนี่ยกระทบไม่กระเทือนนะไม่ใช่ที่บอกว่ารู้เฉยๆนั่นแหละ แต่ว่าถ้ารู้สึกเมื่อไหร่เนี่ยคำว่ารู้กับคำว่ารู้สึกรู้สึกนี่สายเกินไปแล้วนะรู้สึกเดี๋ยวมันจะตัดสินรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกนี่เป็นเวทนาแล้วแค่รู้เฉยเฉยแค่รู้เฉยเฉยเราจะไม่มีเวทนาเรื่องยินดียินลาลเราก็ไม่ต้องไปตัดสินขันห้าปรุงไม่ได้รูปเกิดก็ดับจบถ้ารูปเกิดปุ๊บเนี่ย เขาด่าเราปุ๊บเสียงด่าคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันมันเกิดมันก็ดับแต่ถ้าเราไม่ทันนะกระทบหูปุ๊บกระเทือนใจตอนนั้นรู้สึกละอันนี้เป็นเวทนานะแต่ถ้ารู้ว่ามันรู้สึกปุ๊บเอ่อมันไม่พอใจนะสัญญาก็บันทึกไว้มันด่าเราเนี่ยเราก็บันทึกอัดแน่นสัญญาใหม่กับสัญญาเก่ากระทบกันอุปทานที่เกิดจากสัญญามันวีนขึ้นมามัน คิดปรุงแต่งและสังขารเกิดเธอด่าชั้นชั้นเสียเปียกไม่ได้เห็นหสังขาร น, นี่คือคิดปรุงแต่งเราจะตัดสินแล้วว่าด่าไปเลยบิญยา น, นักสู้เกิดขึ้นภายในหนึ่งวินาทีขันห้าปุ่มเร็วมากเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่สัตว์แต่ว่ารู้มันเผลอปุ๊บมันรู้สึกแล้วดีใจแต่เกินว่าสติเราอยู่ทันนะ่ะเออช่างมันเถอะ ก็จบอยู่แค่นั้นนะจบอยู่แค่เวทนาเราก็ไม่จะไปปรุงอีกแล้วก็ไปสร้างการรมใหม่นะฝึกไปเรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างนะเหมือนเรายิงเป้าบินอ่ะยิงถูกบ้างไม่ไม่ถูกบ้างแต่ถ้าเราบอกเบื่อที่จะยิงเราก็ไม่มีวันชำนาญ น, นะอันนี้คือมรรคจิตเพราะอารมณ์ในจิตใต้สำนึกเราเนี่ย มันจะโผล่ขึ้นมามันเหมือนเป้าวินเขาไม่บอกเราลวงหน้าแต่เราฝึกสัมมถทากรรมมาฐานเรารู้ว่าเราจะก้าวไปไหนเรากําหนดอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นนะเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเราเนี่ยเตรียมเครื่องมือเดินทางนะแต่เวลาเราเดินทางเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์เราเป็นนักมวยขึ้นเวทีแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฝึก คู่ต่อสู้เขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้าว่าเขาจะชกขวาชกซ้ายมันชกมาเลยตอนนั้นเราต้องใช้ศักยาภาพเราทั้งหมดเนี่ยหลบดีคือเราสู้อารมณ์ข้างในนี่คือทําในธรรมนะก็คำตอบอย่าพยายามหาคาตอบให้มันฟิกตายตัวเพราะครูบอกว่าต้องแสดงออกไม่แสดงออกนะบางคนพวกปล่อยออกเลยปล่อยออกเลยบางคนบอกมึงหยุดเราต้องดูเข้าไปในจิตเานะเพราะมันหลงไง เรื่องนี้อย่าพยายามหาคําตอบแล้วก็ไปเขียนสู่สรสมเด็จว่าต้องแสดงออกหรือไม่ต้องแสดงออกนะบางคนมีนิสัยยึดมั่นถือมั่นเอนจอยอยู่กับมันลำอยู่ตรงนั้นแหละสมมุติอย่างเนี้นะเอออันนั้นต้องบอกข้ามพ้นให้ได้สัตวรร์แล่ว่ารู้นะแต่บางคนบอกว่าลำลำไปเลยต้องแสดงออกเลยเนี่ยอันนี้ถึงบอกว่าทุกคนต้องเห็นวารลจิตข้างใน นะทีนี้เราเองปฏิบัติเราก็ต้องรู้ว่าเราเหวี่ยงทิ้งมันไหมหรือเราไปหลงอารมณ์นั้นเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราไม่สแสดงหงอกปุ๊บเนี่ยเราแค่เจริญสติเราก็ไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสอารมณ์นั้นมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็ได้แค่สติเอาเป็นว่าทาไปเถอะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่จำคำว่าเหวี่ยงทิ้งอย่าไปติดมันเท่านั้นเองนะ ปฏิบัติมาได้หนึ่งปีแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติทุกวันเกิดความเครียดจากหน้าที่การงานรู้สึกว่าความเครียดสะสมจนรู้สึกอยากอาเจียนทุกครั้งที่ปฏิบัติแบบนี้เวลาที่เราปฏิบัติเราควรทําตามจิตหรือไม่คือต้องอาเจียนออกมาหรือจะกดข่มไว้แค่รู้ว่า ต้องอาเจียนแต่ไม่ต้องอาเจียนอันนี้ก็เหมือนข้อหนึ่งั่นแหละการแสดงออกก็คืออารมณ์อารมณ์อาเจียนอารมณ์ไล่ลังอัดีใจเสียใจนั่นแหละมันก็เป็นเป็นธรรมะลมที่เราปฏิบัติมาหนึ่งปีแล้วบางทีครูบาอาจารย์เขาเตือนว่าตั้งปีหนึ่งสองปียังอยู่ในท่าเก่าเพราะอะไรรู้ไหมนะเรามาเทน้ําออกปุ๊บเนี่ยเราก็มีฝาปิดฝานี่คือสติ ถ้าเสติไม่ตั้งมั่นพอออกไปไปรับอารมณ์เขาชนปึง้งเปิดฝาฉุดอารมณ์เข้ามาแล้วก็มาอ้วกมาอ้วกเขาเตือนเราในฐานะเขาหวังดีไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดแต่ถ้าไม่อยากอาเจียนเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าทําอารมณ์มันเข้าและการสําลอกนี่ก็สําลอกตอนนั้นต้องสําลอกแต่เมื่อสําลอกแล้วยังไม่เข็ดไม่ไหลบับแล้วก็ไปเอาของใหม่อีกก็มาสํำลอกอีกอันนี้ควรจะตําหนีติเตียน มันพิสูจน์เลยว่าเราไม่ก้าวหน้านั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเอ้ยสําลอกได้สํารอกได้แล้วกูไปเอาของใหม่นะกูสําลอกอีกอย่างเงี้ยนะมันแสดงถึงความเราไม่เข็ดไม่หลาบนะนะเดี๋ยไปถามว่าต้องสําลอกหรือไม่สําลอกนะเราต้องฝึกไว้สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่จะสำลอกนั่นแหละคือผลนะ เราก็รู้อยู่แล้วเราฝึกมาปีหนึ่งทำบ้างไม่ทาบ้างมันก็เป็นแบบนี้ดุบ๊บดุ๊บนนนเนาะแต่อย่างน้อยเรามีเครื่องมือที่ขับมันออกก็ดีแล้วอย่าให้มันสะสมเป็นมะเร็งเพียงแต่ว่าถ้ามันดีกว่านั้นอีกคืออย่าให้มันเกิดขึ้นอีกอย่าไปเอาลมมาต้องสารอกนะบางทีมันสายเกินไปนะพยายามอย่าหาคำตอบแล้วอย่ามีทิติมานะอย่ามีอคตินะใครเตือนเราก็ช่าง เราก็ได้ยินนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันใช่ไม่ใช่ถ้าใช่เราก็แก้แล้วก็เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ใช่เราก็ผ่านยาวความคิดคาพูดนั้นมาคิดเพิ่มเติมมันเป็นอคติคำว่าสุดโตงข้างในกับสุดตรงข้างนอกนยะพ่อครูหมายความว่าอย่างไรคำนี้ผู้เจ้าเคยเตือนสตินะ บอกบำพชิตไม่เสพส่วนสุดโต่งสองส่วนนะสองส่วนไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะข้างนอกกับข้างในนะนะระหว่างดีกับชั่วระหว่างของคู่เย็นกับร้อนนะทุกอย่างมันเป็นของคู่หมดมันจะมีขั้วบวกขั้วลบกระแสไฟเหมือนกันพู้เจ้าไปตัดสรู้สิ่งนี้ที่เราทุกทุกวันนี้เพราะเราไปติดขัด้วใดขั้วหนึ่งมาถึงทะเลาะ ก, กันไง นะกีฬาสีมันจึงเกิดขึ้นนะเราชอบจากอคติของเราเนี่ยมันก็เลยขัดแยงผู้เจ้าทุาบอกเดินสายกลางไม่สุดตรงเพียงแต่ว่าไม่สุดตรงข้างนอกข้างในเพราะครูเชีหยเห็นถ้าเราฝึกจิตเราจะเข้าใจตรงนี้ <c oughs> เรามีอจจาจนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์นะหกอย่างไอสิ่งนี้ดับไม่ได้มันมีตามธรรมชาติของมัน แล้วก็มียาตนพาภายในหอย่างเหมั้นกันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอาชนาภายในนี่ก็แบ่งเป็นสองส่วนข้างนอกห้าข้างในหนึ่งข้างนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวรับผัสสะตาเป็นตัวเห็นรูปหูเป็นตัวได้ยินจมูกเป็นตัวรับกลิ่นลิ้นรับรสร่างกายรับรบกระทบผัสสะเยน็นร้อนอ่อนแข็งใจเป็นตัวรับอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจนี่คือสองส่วน ผูนะ้เจ้าบอกบพบิพตไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างข้างนอกข้างในแต่ตอนนี้จิตเรามันเสพตรงไหนมันไปหลงที่ใจตั้งแต่เกิดมามันถูกใจดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้กลายเป็นจิตใจภาษาไทยเราได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วจิตก็จิตใจก็ใจมันคนละส่วนแต่ตอนนี้จิตมันไปหลงที่ใจจนแยกไม่ออกนะพอเห็นปุ๊บ ชอบใจได้ยินปุ๊บไม่พอใจมันลงใจหมดล่ะนะห้าอย่างนี้นี่กระทบปุ๊บมันจะส่งไปเว็บไซต์ของเราไอตัวที่ตัดสินว่าชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจใจตัว น, นั้นอาศัยพลังงานของจิตคือมโนวิญญาณทาให้หัวใจรับรู้อารมณ์และไอตัวจิตเองก็เกาะ อ, อยู่ตรงนั้นมันสุดตรงข้างในทำไมเราไม่ได้ยินเราเราเร า, เราใช้อุบายได้ยินเสียงที่หู นะวิ่งมาที่หูแล้วหัวใจมันเต้นปุ๊บมันก็ดึงกลับไปรู้ที่ใจเราไม่ต้องวิ่งไปหามาเลยนะธรรมชาติมันดึงกลับมามันหวงจิตเรามากแล้วก็เอาเสียงนี่มาเป็นอุบายมันดึงกันระหว่างหูยกตัวอย่างนะเรานี่คือจิต mm hmm. เพื่อนเราสองคนภ า, าษาอังกฤษบอกมิสเตอร์ใจกับมิสเตอร์หูมันทะเลาะ ก, กัน <c oughs> แต่เราหลงกับในใจมาตลอดชีวิต เป็นอุบายที่เราจะปลดให้จิตเราเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นทาตของใจนะเราก็อาจใช้พัทธะต่างๆเอาเสียงก็ได้ลูกก็ได้รถก็ได้พุทโทนี่คือกลิ่นนะหลวงพ่อคงก็ใช้พุทโทแต่ไม่ใช่ฝึกอนาณาปณสตินะนะคือกลิ่นแต่หายใจเขาแรงๆให้มันชนไปถึงใจต้องถึงใจมันจะดึงกันระหว่างจมูกกับใจมันจะเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นนะ ลิ้นเหมือนกันเราอมยาอมเนี่ยแล้วก็มาลิ้มรสที่ลิ้นเน่ยมารู้ที่ใจมันก็ดึงกันมันจะเกิดแรงหมุนขึ้นแต่มันเล่งสติไม่ได้เพราะครูเลือกเสียงเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็เสียงนี่มันเล่งได้แต่ถ้าเราลมหายใจนะมันจะเหนื่อยแต่มันก็ทําได้สร้างแรงเวียงปุ๊บทีนี้ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันเลย แต่เสียงนี่พอเราหมุนปุ๊บปล่อยไปเราลึกชาติไปตั้งหลายชาติแต่เสียงตัวนี้ยังเป็นตัวกําลังดันไปด้วยพราะรูก็เลยเลือกเสียงเป็นเมนแต่ไม่ใช่สูตรสมเด็จว่าต้องเป็นเสียงอย่างเดียวนะแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ง่ายๆไม่ต้องไปเพ่งนิมิตอะไรนะก็เสียงเป็นอิจฉาณภายนอกกระทบหูอิจฉาณภายในมันส่งมารู้อารมณ์ที่ใจก่อนจะเกิดเวทนา ก็วิ่งไปที่หูอีกใจมันก็ดึงกลับมาอีกเธออยู่กับฉันตลอดชีวิตเห็นไหมสุขใจสุขใจเราไปหลงใจเพราะเราไปติดสุขในใจปุ๊บพอเราผิดหวังปุ๊บเราก็ทุกข์ใจมันเป็นของคู่อยู่นะเมื่อเราไปสุดตรงข้างในเนี่ยเราไม่เป็นกลางทีนี้พอจิตมันถูกดึงไปดึงมาเนี่ยมันก็รักเพื่อนทั้งสองคนมันไม่เข้าข้างในหูในหูออก็มาอยู่กับฉันเพลงพ่อเพราะนี่เห็นไมพ่อเพาะเพาะเราไม่เชื่อมันเราไม่ไปหลงหู啊 เตือนว่ามึงอย่าทะเลาะกันในใจดึงกลับมาเห็นไหมเธออยู่กับฉันตลอดชีวิตเนี่ยสุขใจสุขใจตอนนี้เราไม่เข้าข้างไหนใจเราวางตัวเป็นกลางนี่คือมัชชิมาปฏิปทาเรากลายเป็นกลางแล้วแต่ว่าไอ้เพื่อนสองคนนี้มันก็ดึงเราไปดึงกันมานะมาเราก็เกิดแรงเวียงขึ้นเหมือนเราหมุนลูกข่างต้องใช้สองนิ้วหมุนปุ๊บมันก็หมุนพอหมุนหมุนมุมันยิ่งหมุนหมุนมุมุน มันยิ่งเร็วขึ้นปุ๊บมันจะไปอยู่ในแกนกลางของโทเลนโดนั่นแหละเห็นไหมลูกขางมันก็นิ่งมันไม่ได้ฝึกสมาธินะทาไมมันนิ่งได้แรงเวี่ยงทําลายสนามแม่เหล็กเห็นไหมลูกขางพอมันนิ่งปุ๊บมันก็หลุดออกจากวงจรไหวนิ่งหลุดจิตเราก็เหมือนกันนะอาศัยแรงเหวี่ยงตัวนี้เนี่ยนะกิเลสตัณหาอุปาทามันอยู่ที่ใจมันก็ สั่งการเราตลอดแต่ทีนี้เราก็สร้างแรงเบี่ยงให้กับจิตเพื่อหลุดพ้นจากแรงดึงดูดตรงนั้นให้จิตอิสระก็เข้าไปในจิตในจิตนะเข้าไปในเว็บไซต์ของเราเข้าไปทําไมเข้าไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะนี่แหละคําว่าไม่สุดโตงตอนนี้เราทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเราไปติดดีกันไงดีของเขาก็ดขีของเราไม่เหมือนกันเห็นไหมละ่ะ เราไปสุดตรงความเราไปติดดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าดีจริงๆเนี่ยมึงไม่ต้องทะเลาะ ก, กันหรอกนะรักชาติไม่ต้องทะเลาะ ก, กันนะมันเป็นสิ่งเลวร้ายอย่างยิ่งเพราะคุณไปติดดีกันะก็ไอ้ดีเลยแหละทะเลาะ ก, กันเ <c oughs> ห็นไ้มคนเขาทำชั่วเขาก็รู้เขาขโมยทําก็ไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กับใครนะแต่คนติดดีเนี่ยไปว่าเขาไม่ดีนะอันนี้ก็เราไปสุดตรงแหละชีวิตเราสุดตรงตลอด ทำดีก็ดีแล้วไงทำแค่พอดีไปติดดีจนไม่หลับไม่นอนอ่ะอันนั้นมันมันสุดโตงมันติดดีติดอะไรก็คือหลงหลงติดไงโลกกดหลงก็คือตัวทุกข์เหตุแห่งทุกข์นะเอาเป็นว่าผู้เจ้าถึงชี้ทางสายกลางว่าไม่สุดโตงนะพอดีไม่ปฏิเสธดีไม่ปฏิเสธชั่วเพื่อนเรามีหลายคนไอ้หูงก็มีอนุสัยชอบฟังเสียงชอบเพาะเพาะเห็นไหม ออไอ้ใจมันก็ติดความสุขเห็นไมมันติดไม่เหมือนกันไอ้ไอลิ้นเรามันก็ชอบอร่อยอร่อยเห็นไมนไอ้จมูกเรามีนิสัยชอบหอมหอมเห็นไมเห็นไมไอ้ตาเราก็ชอบสวยสวยเห็นไมแล้มีเพื่อนตั้งห้าหกคนเนี่ยนิสัยมันไม่เหมือนกันเราต้องวางตัวเป็นกลางเขนะนี่คือไม่สุดตรงปฏิบัติมาหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีการไล่ลำหรือยืนหมุนอยู่แบบนี้จะต้องทำไปถึงเมื่อไหร่หรือการกลับมานั่งนิ่งๆดีกว่าและการไล่ลำหรือยืนหมุนบ่อยๆถือเป็นกิเลสหรือไม่กิเลสคือความเคยชินเรากินข้าวเป็นกิเลส <c oughs> อย่างนี้ไปเถียงกันว่ามึงอย่ากินข้าวเลยนะมันเป็นกิเลส <c oughs> อาบน้ําเป็นกิเลสแต่อย่าเนื่องด้วยตัณหาคือจิตเรามันฝึกวิธีนี้มันวิธีมันยืนหมุนไล่ลำก็ช่างมันก็เป็นกิเลสเรานั่นแหละถ้าทําตามกิเลสอันดับแรกก่อนว่ามันมีอะไรเสียหายไหมตอนที่เราไล่ลำอยู่เราไปตีหัวใครหรือเปล่าก็ไม่มีเนาะเราละชั่วละแล้วมันดีอะไรก็ทําให้เราอยู่กับตัวเองเห็นไหมเห็นไหมก็ได้ใช้สติดําเนินมันเนี่ยเอาเป็นว่ามันไม่ได้ชั่วลายอะไร แต่ถ้าเราไปหลงติดเหมือนว่าฉันทํามีความสุขตรงนี้ฉันก็สนองปัญหามันเมื่ อ, อไหร่มันก็ไม่ดีเราต้องรู้เองว่าเราติดไหมอย่างนี้เราฝึกพุทโธเนี่ยสามสี่สิบปีแล้วพุทโธตลอดว่าเอ๊ะเราติดหรือเปล่านะเรากินข้าวนี่เราติดไหมมันเป็นหน้าที่ไงอยู่ที่ว่าเจตนาคุณกินข้าวเพราะมันอร่อยแต่พอไม่อร่อยปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่กิน เห็น ไ, ไหมถ้าเรากินเพราะกินละเห็นถ้าเรากินเพราะกินมันเป็นหน้าที่แล้วเนี่มันไม่มีถูกไม่มีผิดมันก็ดีแล้วไงถ้าไม่กินข้าวรถยนต์ไม่เติมน้ามันมันจะมีพลังวิ่งเหรอเห็นส่วนล่ลำหรืออะไรเนี่ยเราต้องดูตัวเองว่าถ้าเราอยากขรู้เลยเราลองฝืนมันดูว่าฉันจะไม่ลำลรืมันเป็นยังไงดูซิถ้าเราฝืนได้ไม่ลำก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ก็ดาเนินไป บางครั้งเราต้องพิสูจน์ว่าเอ๊ะเราติดหรือเปล่าไม่ต้องให้คนเขาบอกเราแต่คนเขามองด้วยตาเนื้อเนี่ยเขาก็เตือนสติเรากลัวเราจะติดแต่ถ้าเราไม่ติดเราดําเนินไปโดยมีสติสัมปชัญญะอะไรก็ดําเนินไปนะเหมือนเรากินข้าวนั่นแหละนั่นะกินเพราะกิน่นมันเป็นหน้าที่นะยุคนี้เนี่ยความรู้เราเกิดจากภาษาไงเราพยายามจะหาคําตอบด้วยภาษา นะคนนี้เขาลำเขาได้คนนี้ลำแล้วก็เสียมันอยู่ที่เจตนาเขาในเวลานั้นเขาลำเพราะเขาหลงติดไหมหรือเป็นแค่เทคนิคเป็นกิริยาที่ทาให้จิตเขารวมศูนย์เพื่อวางความคิดไม่ต้องไปยุ่งกับใครเห็นไมอย่าง น, น้อยเขาก็ไม่ได้ไปตีหัวใครไม่ไปกรรกรรมชั่วอะไรอะไรเนี่ยนะมีแต่ว่าบางครั้งเนกการเตือนสตนิก็เพื่อให้เรามาทบทวนตัวเอง อย่าไปถือเป็นทิฏฐิมานะปฏิบัติจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่มีกายแล้วใจเบาจิตเบาและแบบนี้ยังต้องไล่ลำอยู่หรือไม่ก็ถามตัวเองสิแล้วตัวเองลำไปทำไมเนาะหถ้าการไล่ลำนั้นเป็น การที่ลอยไล่ดำส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นอุบายวิธีทธัศจิตที่มันจดจ่อกับสิ่งที่มันทําที่เราจิตไ ม, จไม่เบาใจไม่เบาเพราะเราไปคิดคิดก็หนักใจทีนี้จิตมันก็ใช้อุบายให้เรามีหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางความคิดมันก็เบานะ <S <S คือเรานั่งเฉยๆเนี่ยเพราะเรานั่งเฉยๆเอาตามลมหายใจเข้าออกเพ่งนู่นเพ่งนี่ใช่ไหมมันก็ยังมีการกระทําอยู่เพื่อ เป็นอุบายทำให้จิตเราเนี่ยไม่ไปสร้างมโนกรรมเห็นหมมันก็เกิดความสงบแต่ถ้ายังมีการกระทาโดยที่เราสั่งการมันก็เกิดความสงบชั่วครู่มันเข้าถึงกล่องปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเราดำเนินไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยไม่มีการกระทาไม่มีการสั่งการแล้วเนี่ยเดี๋ยววิปัสสนามันจะเกิดขึ้นนะเราเองเนี่ยรู้ดีที่สุดว่าเราทาในเวลานะั้นมันเป็นอย่างไร ส่วนคนเขาให้คําแนะนําเขาเตือนสตินะั้นเน่ยเขาหวังดีเขาพูดไปปุ๊บเหี่ยเราก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วเราก็มาทบทวนตัวเองว่าเราติดไหมนะถ้าไม่ติดก็เป็นเรื่องของเราถ้าคนห น, นึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ทะลุป้องเขาไม่เห็นวาลลจิตคนอื่นเขาก็เอาประสบการณ์เขานั่นแหละมาเป็นบัตรฐานเขาไปสั่งคนอื่นเขาหวังดีเราฟังปุ๊บล้วก็จบไม่ต้องเอามาคิดเพิ่ม คนที่มีปัญญาเป็นอย่างไรอ่านหนังสือมากๆเรียนรู้มากๆถือว่ามีปัญญาหรือไม่มันปัญญามีสามระดับนะอ่านฟังจำก็เป็นสุตมยปัญญานะใช้โสตประสาทาคือได้ยินแล้วก็อ่านนะก็เป็นแค่ปัญญาเกิดจากการอ่านการได้ยินนะ อันนี้ก็เป็นระดับคือคือเราได้ยินปุ๊บอ๋อแล้วก็ปลดปล่อยความสงสัยเราได้มันก็เปิดปัญญาระดับหนึ่งแต่บังเอิญว่ามันหยาบมากผู้เจ้าไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่มันไม่ดีนะมันก็เกิดปัญญาบางคนนี่ได้ยินปุ๊บปิ้งบรรลุธรรมเลยนะนะอันนี้เรียกว่าสุตมยปัญญาแต่ผู้เจ้าไม่ได้ส่งเสริมเพราะว่าบางทีเนี่ยเอ่อเราจะเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เราได้ยินมันผิดด้วย และบางทีอันนี้แหละแต่มันไม่ใช่สู่สมเด็จนะบางคนฟังทีหนึ่งเนี่บรรลุธรรมก็มีมันเป็นเรื่องบา ร, รมีส่วนตัวเขาเรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะมันไม่ใช่ทางสายกลางทีนี้บางคนเนี่ยก็จําบางทีก็เอาความจํานั้นมาคิดพิจารณาเพิ่มอ้อใช่แล้วนะอันนี้เรียกว่าจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการ จินตนาการให้มันละเอียดขึ้นแต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์บางทีเราคิดตามกิเลสเรานะผู้เจ้าส่งเสริมภาวานามายะปัญญานะภาวานามายะปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ผ่านการนึกคิดนะมันจะเกิดปัญญาเดิมที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันจะแสดงตัวออกมานะไอ้ตัวนั้นไม่เกิดจากกิเลสชาติปัจจุบันเราอ่านเราเชื่อ เราคิดเราเชื่อมันเชื่อตามกิเลส น, นะมันยังไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่แต่ว่าไม่ไม่ใช่มันไม่ดีมันมีมันเป็นตัวทำให้เกิดปัญญาระดับหนึ่งนะแต่เป็นปัญญาซึ่งมันค่อนข้างยังไม่บริสุทธิ์คนมีปัญญาเป็นอย่างไรคนมีปัญญาสูงสุดเนี่ยนะต้องดูผลก็ว่าคนมีปัญญาสูงสุดเนี่ย ต้องวางได้ทำให้ตัวเองอิสระทำให้ตัวเองผลทุกไม่ใช่ไปว่าคนรู้มากนะอันนั้นเป็นแค่คนรู้มากไม่ใช่คนมีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยต้องรู้ว่าทำแบบไหนถ้าคนมีปัญญาสูงสุดเขาไม่ต้องคิดด้วยถ้าคนยังคิดอยู่ก็ปัญญาอยู่ระดับหนึ่ง ถ้าปัญญาสูงสุดแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ต้องคิดนะเพราะเขาไม่กังวลอะไรเลยเขาไม่มีอนาคตเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเขาวางได้เขาทำให้ตัวเองพ้นทุกได้นั่นแหะคือคนมีปัญญาแต่วนมากตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่เป็นแค่คนรู้มากรู้จากการอ่านการจำไปเรียนแบบคนอื่นนะพูดเป็นหมดเลยแต่ว่าตัวเอง ยังไม่คนทุกนะอันนั้นเป็นคนที่มีแค่ความรู้เฉยๆเป็นแค่คนมีความรู้นะสะสมความรู้ไม่ใช่ปัญญาคนที่มีอภิญญามากๆรู้สภาวะของคนอื่นมองเห็นออละของคนอื่นจะถือว่าเป็นผู้บรรลุธรรมหรือไม่ ที่เราละลึกชาติได้เนี่ยมันก็เป็นอภิญญาอย่างหนึ่งมันอภิญญาอย่างหนึ่งมอภิญญาอภิญญาแปดแต่เจ็ดข้อหูทิพตาทิพลอวาราจิตคนอื่นอะไรก็ช่างมันเป็นโลกียะอภิญญานะมันมีอภิญญาตัวที่แปดเท่านั้นนะ่ะเป็นทางที่ทาให้เราพ้นทุกนะก็คืออาสะวะขยะยานยานรู้ว่าด้วยการกำจัดอาสะวะกิเลสคือ ตัวนั้นเป็นผัวพนทุกส่วนอีกเจ็ดข้อไม่ต้องฝึกนะจิตเดิมมันฝึกมาจังเยอะแล้วล่ะและไอ้ตัวนี้หล่ะมันเป็นตัวมาตรวัดว่าเรามุ่งมั่นจเจริญมรรคจริงไหมเพราะมันน่าติดมากเพราะมันจะเป็นผู้วิเศษนะรู้ว่าล้จิตเขาทีแรกก็รู้นะมันบริสุทธิ์พออยากรู้เอาไปทำธุรกิจหรือแฝงด้วยกิเลสปุ๊บต่อไปมันมันก็เดาไปสูง ผู้เจ้าไม่ส่งเสริมนะอิทธิฤทธิปฏิหารมีจริงนะพระโมคคัลลานะเหาะขึ้นไปยอดไม้ปาลมเศรษฐีให้เห็นผู้เจ้าบอกอย่าตัดอยากระทำ<ม>เดี๋ยวเขาจะหลงว่าการที่จะมุ่งสู่นิพพานพ้นทุกข์แล้วต้องไปฝึกวิชาเหาะก่อนนะพระองค์ไม่ไม่ไม่ไม่สนับสนุนนะอภิญญาที่รู้วาละจิตของคนอื่นเนี่ยนะ อาเทศนาปาฏิหารพวกนี้นะมีจริงไม่มีจริงแต่มันไม่ใช่ทางผลทุกมันเป็นอุบายวิธีบางทีเหมือนเราไปหาหมอโรคจิตนั่นแหละเขาก็ใช้จิตวิทยาพูดเพื่อให้เราผ่อนคลายนะผ่อนหนักเป็นเบานะอันนี้ก็ไปทายทักคุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็ฝืนกดแหงกังไม่ได้อันนี้ก็มีจริงแต่ผู้เจ้าไม่สนับสนุนเพราะมันไม่ใช่ทางผลทุกเดี๋ยวเผลอๆไปทาให้หลงกันอีก เราเองไม่เคยดูแลตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาดูแลลูกหลานดูแงงา น, งานการงานไม่เคยเห็นตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครหาเงินหาเงินแล้วก็เอาเงินไปให้กาบให้เขามาช่วยดูฉันหน่อยว่าฉันเป็นใครมันโง่ซ้ำซากตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเป็นใครให้คนอื่นเขามาบอกว่าฉันเป็นใครนะฉันมีกรรมอะไรเนี่ยนะเราไม่เราไม่ค่อยอยากจะพึ่งตนเองเลยเนาะ พูะเจ้าส่งเสริมอนุสาสนีปฏิหารนะปฏิหารเนี่ยเราสามารถพูดหรือชี้ทางให้เขาเกิดปัญญาเป็นทางเดียวที่เขาจะพ้นทุกนะที่พระครูพูดกลางวันเนี่ยบอกว่าบางทีเราไปนั่งฟังเทศฟังธรรมเหมือนเราไปนั่งหมอดูหมอลำน ะ, นะธรรมะอะไรนะธรรมะฟังแล้วลื่นหูมีความสุขมากนะ ได้อะไรได้กิเลสกลับบ้านไม่ได้ปัญญาอะไรเลยนะนะทราบซึง้งได้กิเลสกลับบ้านนะแต่ถ้าเราไปฟังทำแล้วเราเกิดปัญญาขึ้นมาอ๋อใช่นั่นแหละไอ้ตัวนั้นเดี๋ยจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะมันต้องให้มันเกิดปัญญาเหมือนพ่ครูเคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย พระอาจารย์โพธิธรรมหรือคนจีนเขาเรียกอาจารย์ตักมอนะนะดังที่สุดในเมืองจีนสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่อ่านพระไตรปิฎกท่านเป็นเจ้าชายองค์ที่สามของแควนหนึ่งของอินเดียเหมือนกันปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นเป็นภิกษุณีน ะ, นะก็สั่งให้เดินทางมาแถวตะวันออกเราก็เดินไปทางเมืองจี น, นตอนนั้นวัด เขาก็เชิญให้ท่านไปบรรยายท่านก็ขึ้นไปนั่งธรร ม, มาทย์ท่านก็นั่งหลับตาใช่เออสิบนาทีผ่านไปพระภิกษุเอ๊ะไม่พูดทักทีหนึ่งยี่สิบนาทีผ่านไปจากเอ๊ะปุ๊บหงุดหงิดแล้วนะเออสามสิบนาทีผ่านไปไม่พอใจแล้วเห็นหมชั่วโมงหนึ่งผ่านไปโกรธมากเลย พอครบชั่วโมงะอาจารย์ตักหมอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปเห็นไหมท่านทำให้เราเห็นกิเลสตัวเองแสดงโดยไม่ต้องแสดงตอนนี้ไม่ใช่ไปฟังทราบซึ้งนะกิเลส ช, ชอบมากแบกกิเลสกลับบ้านมันไม่ได้ประโยชน์นี่แหละคือกันลยละมิตรเป็นที่สุดแห่งผมวจันเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมีประโยชน์แต่การปีกปีกวิเวกอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยอันนั้นง่ายเพราะมันไม่มีสิ่งกระทบ นะเออสบายสบายพอออกมานี่เจอคนเยอะๆวีนเลยนะเราอยู่กันแบบหมู่คณะจะต้องระวังทุกคนเนี่เป็นกระจกส่องขึ้นกันและกันถ้าใครทำเนี่ยทำให้เราเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปโทษเขาอย่างเดียวนะเอาทูบเทียนดอกไม้เนี่ยกราบเขาเลยนะขอบคุณมากที่ทันที่เขาทําให้เรามีปัญญาเห็นกิเลสตัวเองอันนี้นิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้นั่นแหละ เราสนองกิเลสเราตลอดแล้วเมื่อไหร่เราจะเกิดปัญญาล่ะนะนี่ล่ะคืออนุสาธนีปฏิหารนะทำให้เราเกิดปัญญาไปเห็นอลาเห็นโอเลอร์อะไรเนี่ยเห็นแล้วยังไงล่ะถ้ามาหาพระครูเห็นก็เหี่ยงทิ้งไงไม่เหนื่อยเหรอ ยังอยากจะเห็นอะไรต้องเสียเวลาเวี่ยงทิ้งอะเนา ะ, นะอยากเห็นอยากรู้อยากอะไรหมดนี่คือกิเลสแล้วสนองมันตลอดเอาอาหารเนี่ยมันกินตลอดมันก็อยากเพิ่มขนนึ้นกลับไปบ้านละตอนนี้กลับไปบ้านไม่ต้องเชื่อนะพ่อครูถามนิดหน่อยได้ไหมไม่ได้ต้องถามเยอะๆเลยอย่าแกล้งนั่นนะ่ะนิดหน่อยทุกวันน ะ, นะเพราะมันอยากรู้ไงบอกว่าถ้าไม่รู้มันนอนไม่หลับใช่รู้แล้วสบายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มัน เพราะไอ้ตัวอยากรู้มันก็อ้วนขึ้นมาอีกเห็นไ้มมันก็ถามอีกเห็นั้มเราต้องแก้ตรงที่ไอ้ตรงขี้ลังเลสงสัยตัวอยากรู้นั่นซะเวียงมันทิ้งแล้วจะไม่ต้องเสียเวลาถามบีกเอาเวลามาถามนี่ขัดเกาจิตตัวเองมันไม่ดีกว่าหรือนั่นแหละเราสนองกิเลสตัวเองตลอดเวลานะแสดงนิดเ ห, นนนเห็นนู่นเห็นนี่เขาเรียกว่าอวดอุตตริมนุษยธรรมนะทุกมันไม่มีประโยชน์อะไร ดีไม่ดีทำให้หลงด้วยเมื่อเกิดข้อธรรมขึ้นแต่ยังคิดว่าข้อธรรมนั้นไม่ชัดเจนจึงไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึ้นแบบนี้ควรทำหรือไม่ถ้าเป็นข้อธรรมจริงๆมันไม่มีความลังเลสงสัยหรอกอันนั้นเป็นแค่ข้อคิดมากกว่า ถ้ามันเกิดข้อธรรมะจริงๆเนี่ยมันตอบโจทย์ในตัวมันอยู่แล้วนะอันนี้เป็นแค่เห็นนิมิตเห็นอารมณ์ต่างๆพาะครูบอกแล้วไงบางทีเราเห็นนิมิตเราเห็นจริงๆเลยล่ะแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงทั้งนั้นไม่เกิดอุปทานนะมั้ยยังวิ่งไปหาข้อมูลเพื่อจะมามาสนับสนุนไอๆไอข้อธรรมที่เราเห็นอันนั้นมันทาเทียม ถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีความอยากจะรู้เพิ่มเติมเนาะก็อันนี้ข้อสุดท้ายข้อนี้พ่อครูก็โน้ตบังกาบเดียนถามพ่อครูว่าตามที่มีบุคคลวิจาร์เรื่องสมาธิเวียงว่าไม่ถูกต้องไม่มีนภัตตาียบิดกพ่อครูคิดเรื่องนี้ว่าอย่างไรตอบคือไม่คิดว่าอย่างไร นะไม่ได้คิดเลยนะมันเป็นเรื่องนานาจิตตังเป็นเป็นปกติของการคิดเห็นต่างกันนะความเชื่อความศรัทธาไม่เหมือนกันจริตไม่ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นความสวยงามในสังคมที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยนะเพียงแต่น่าเสียดายไม่ค่อยชอบวิจัยกันชอบวิจารกันนะจึงไม่ใช่บรรยากาศติเพื่อก่อนะ แต่เป็นการตําหนิตัดสินฆ่าโทษเลยอันนี้แย่งงานโรงพบาบารทำนะอันนี้น่ากลัวมากถ้าเผลอตกนรลกลงไปโรงพยาบาลเนี่ยไอ้ไอไอที่สร้างกรรมเนี่ยก็ตกนรกแล้วแต่ไอัที่ไปแย่งงานโรงพยาบาลทำนี่อันนี้อันนี้โดนหนักกว่าเก่าเนาะไม่มีงานทำมันตัดสินฆ่าโทษเลยนะ คือฆ่ากันในเน็ตฆ่ากันหมดเลยตอนนี้แนหะสนุกสนานกันนะพกก่อครูก็ก็ได้รับข้อมูลนี้อย่บอกว่าก็สักแต่ว่าเห็นวางไม่ต้องไปต่อต้านอะไรกันตั้งนั้นแหละแล้วบังเอิญเป็นผู้ที่มีความรู้ในทางโลกเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคิดจะดา่าใครก็ดา่าคิดจะวิจารณ์ใครก็วิจารณ์โดยที่ไม่วิจัยก่อนทีนี้เขาวิจัยว่ายังไงเออพุกพะปินไม่พะโกดูนะเมื่อวานเนี้นะ โอ้คนเรียนจบสูงๆมันเป็นแบบนี้นเนาะเพราะครูถึงบอกไอ้ด็อกเตอร์สองคนมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอย่างนี้นะมันวิจารณ์หมดเลยไม่มีใครเหลือหมดเนาะโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นปาฏทางสงฆ์ในทุกวันนี้นะท่านก็แตกฉานเรื่องปริยาติที่สุดอันนี้อ่านปู่ปู่ป้ปาๆเขาบอกว่าเขาวิจัยพฤติกรรมพระอาจารย์รูปนี้แล้วสี่ปีวิจัยยังไง อ่านหนังสือที่พระอาจารย์ลูกนี่เขียนมาสี่ปีแล้วมันก็วิจารณ์นี่คือความรู้คนยุคนี้ไงเห็นไมเคยบอกว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งเห็นไมเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยสงอะไรมาที่นี่มาจากเชียงใหม่มาถึงตอนเย็นกลางคืนแล้วก็ปฏิบัติทำวัดเย็นปฏิบัติแล้วก็ปิดไฟเป็นปกติใช่ไหมท่านก็มานั่งส่องดูส่องนี่พวกกูก็นั่ง อยู่ข้างๆเนี่ยก็ไม่พูดอะไรพอกลับไปเชียงใหม่ก็วิจารณ์ใหญ่เลยถ้าพ่อคูบัญชาแน่จริงปิดไฟทําไม อ, อ๋อทาไมไม่มากังวันเนาะกลางคืนเปิดไฟให้มันเสียไฟทําไมกลางวันเขาก็เต้นให้ดูอยู่ถ้าพ่อคูบัญชาแน่จริงทำไมห้ามถ่ายรูปถ่ายเห็นไหมขนาดไม่ให้ถ่ายก็ไปพูดวิจารณ์แล้วเห็นไหมนั่นแหละดรเตอเขาบอกเขารู้แล้วเขาไม่เห็นแล้วแล้วก็ เนี่ยอีกด็อกเตอร์คนหนึ่งที่พุกอารพวกกูดูนะถึงเขาเรียกพวกครูนายบัญชาตั้งวงชัยนะถึงจะทำดีบ้างแต่ก็ต้องตกนรกเพราะสอนไม่ใช่พุทธศาสนาเถรวาทคือเขาอ่านหนังสือวัตนาเถรวาทอะไรเนี่ยนะพวกนี้ความรู้เป็นแบบนี้นะไปตัดสินเขาคนนั้นก็ตกตนรกตนกตบนรก นะแล้วไปวิจารณ์พระผู้ใหญ่อะไรที่ท่านอยู่ในร่องในลอยมาตลอดนะเพราะครูไม่เห็นว่าพระรูปนี้ท่านเคยทําอะไรผิดนะท่านแตกฌานเรื่องปริญตัติก็ไปเรื่องของท่านอันนี้นิภาควิจารณ์เขาใหญ่เลยมันเวรกรรมอะไรไม่รู้คนยุคนี้นะ่นะเพียแต่ว่าเราก็สักแต่ว่าเห็นนั่นแหละเขามาประเมินเราเป็นยังไงญาติธรรมบางคนเห็นว่าเนี่ยเด้งพังว่านั่นแหละเราไม่เราไม่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็จบนะ มีแต่ว่าเมื่อมีถามมาอย่างนี้เนี่ยพ่อครูก็ต้องทําหน้าที่ชี้แจงว่าเราทําอะไรกันอยู่นะยุคนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรมคือการฝึกสมาธิเจริญสติเราก็เรียกว่าสมาธิอะไรกําหนดอะไรเอาจิตไปไว้ที่ไหนเห็นไหมเราคุ้นเคยไหมแล้วพวกครูไม่เคยตั้งชื่อว่าสมาธิเหวียงเลยนะแต่คําว่าเหวียงทิ้งนี่เป็นกิริยา นะเป็นการเตือนสติว่าอย่าไปติดมันนะแต่เขาก็ไปตั้งชื่อว่าสมาธิเวียงถ้ามันตั้งมันก็ไม่มีเป้าหญิงใช่ไหมมันตั้งเพื่อมันจะด่าไงตัวเองหลงไม่พอแล้วก็ไปว่าคนอื่นหลงเพราะเขาไปคุ้นเคยว่าปฏิบัติธรรมไปจบที่สมาธิเพราะครูพูดเองแล้วเนี่ยสมาธิสติไม่ใช่พระเอฟไม่ใช่เป้าหมายปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญสมาธิจเจริญสติ ปฏิบัติธรรมคือเจริญมรรคผลนิพพานส่วนที่เขาเรียกสมาธิเหวีย่ยนมันเป็นเเสี่ยวหนึ่งนะตอนบ่ายเรียกว่าอติตนะวิปัสสนานกรรมฐานเขาก็วิจารณ์ใหญ่เลยนะโดยชั่วลายมัว่วแต่ว่าไม่เคยอธิบายแล้วมันชั่วลายอย่างไรมันมั่วอย่างไรเนี่ยผู้รู้ทุกวันนี้นะมันเป็นไปวุ่นวายไปหมดเลยนะ คือพกูชีให้ดูว่าการปฏิบัติธรรมคือการจเจริญมักผลนิพพานนะมักที่เขาเขียนข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบข้อที่สองดำริชอบสองข้อนี้อยู่ในหมวดของปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบสามข้อนี้อยู่ในหมวดของศีลถ้าจะไปนิพพานเนี่ยทำแค่สามข้อส่วนศีลห้าศีลปศีลสิศีลปฏิโม อันนี้เกิดขึ้นหลังพุทธการเออหลังจากว่าสร้างศาสนาขึ้นมาพราะองค์ก็แบ่งหน้าที่ของพุทธบริษัทสีเป็นศีลวินัยเป็นการเหมือนกฎหมายบ้านเมืองระเบียบในการอยู่ร่วมเพื่อไม่ให้เรากระทบกระทั่งกันนะแต่ศีลในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกเนี่ยไม่แบ่งชั้นวรณะจะเป็นอาชีพอะไรก็ช่างชนชาติไหนก็ช่างถ้ามุ่งหน้าไปสู่นิพพานแล้วเนี่ยทสามข้อนี้เท่าเทียมกัน นะว่าจาชอบคืออะไรเป่งออกมามีแต่เรื่องเป็นประโยชน์เป็นกุศลประโยชน์ตนประโยชน์ชนผู้อื่นไม่ใช่ไปด่าเขาด่าเขามันไม่สร้างสารรค์มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะบางทีให้ข้อคิดติเพื่อก่อไม่ไลอันนี้ตำหนิเลยอันนี้กล่าวโทษตัดคอเลยนะนี่คือผู้รู้ทุกวันนี้น่สังคมโลกมันถึงเป็นแบบนี้ไงไอาหารเยอะกว่าคนอื่นจาเก่งกว่าคนอื่น ไม่ใช่มานั่งดูเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ศูนย์ต่างนี้มันบอกมันรู้แล้วยังไม่ลงออกมาเต้นเลยนะต้องมาเต้นก่อนแล้วเต้นแล้วถึง่ามันรู้ว่ามันคืออะไรเห็นไมเนี่ยคือความรู้ยุคนี้เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ปัญญานะก็อันนี้คือคือบทของศีลนะวาจาชอบอาชีพที่เราทำเนี่ยคำว่าชอบก็คือว่าต้องไม่มีผู้ใดเดือดร้อน ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองหลือผู้อื่นนะไม่ใช่ว่าถามพูดตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ของดีก็บอกว่าแพงของของของไม่ดีก็บอกว่าถูกนะไม่ใช่อยากรวยจนขายของไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนอันนี้นไม่ใช่สัมมาอาชีวะไม่ใช่อาชีพชอบคุณเบียดเบียนตัวเองนะอันนี้คืออาชีพชอบการกระทําชอบจริงๆแล้วเนี่ย ศีลมีแค่ข้อเดียวก็จบแล้วนะการกระทำชอบเนี่ยคือทําทุกอย่างไม่มีผู้ใดเดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นไอ้ข้อ น, นี้ก็พอแล้วทีนี้อะไรผู้เจ้าก็ชี้ให้เรามีสามข้อเนี่ยที่เราสมควรระวังต้องปฏิบัติไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆอย่างศีลห้าพวกเราเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดเปิดอะไรนั่งอยู่เฉยๆเราก็ทําได้เท่ากับไอ้เก้าอี้ตัวนี้นีก็เท่ากับเก้าอี้ตัวนี้ก้อนหินมันก็ทําได้นะ ภาษามันทำได้อยู่แล้วนะแต่ น, นั่นเป็นตัวกากับเตือนสติว่าให้อย่าให้เราไปไปทำสิ่งที่มันไม่ควรทำไม่เป็นแค่ศีลวิ น, นัยส่วนความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบอันนี้สามตัวสุดท้ายในมรรคนี่นะเห็นไหมทำไมต้องว่าความเพียรชอบต้องขยันเยอะๆสิเห็นไมอยากพุกจิตทรมานสังขารพระพุทธเจ้าลองมาแล้วนะทุกกิริยา ไม่ใช่ความเพียรชอบมันสุดตรงไม่สําเร็จเพียรก็ต้องพอดีต้องอยู่ในกรอบของพอดีทีนี้พอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันช้างขี้ไม่ต้องไปขี้ตามช้างเห็นไหมคนนี้กินข้าวชามหนึ่งอิ่พอดีคนนี้สองชามอิ่พอดีคนนี้สามชามอิ่พอดีทุกคนต้องรู้ว่าความพอดีของตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ความคิดกวัวได้เปรียบเสียเปรียบทุกวันนี้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันมีข้าวหกชามต้องหารสาม เอาไปให้ในกอมันกินชามหนึ่งอิ่พอดีเนี่ยเด็กถูกฝึกนะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าชาวนาเหนื่อยยากลําบากนักหนาสงสารชาวนาอัดเข้าไปสองชามอย่าทิ้งมันสุกไหมมันทุกมากไอคนที่สองมันได้สองชามมีคนสุกคนเดียวพอดีพอดีกับมันไอคนที่สามมันตัวใหญ่ให้มันสองชามมันกินสามชามมันไม่อิ่มมันก็หิว ความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเห็นไหมความเพียรเหมือนกันทําไมทําไมไม่เพียรเยอะๆละ่พะพวกครูมาจากเมกาเมื่อยี่สบกปีก่อนมีรัฐที่หนึ่งเขาบอกว่ากินน้อยใช้น้อยทํางานมากสุดตรงกินน้อยใช้น้อยขี้เหนียวทํางานมากขี้โลกเห็นไหมภาษานี่ก็ต้องระวังคุณกินน้อยคุณจะเอาพลังที่ไหนมาทํางานมากกินพอดีใช้พอดี ถ้ามันจะไม่ต้องคิดก็คิดแค่พอดีนี่คือความชอบใช่ไหมความเพียรชอบสติชอบเห็นไหมสติชอบสติชอบคืออะไรไม่ต้องไม่ใช่ใช้สติไปทำงานเพื่อความมั่งคั่งเพื่ออนาคตไม่หลับไม่นอนทรมานตัวเองเนี่ยอันนี้คือสติมันไม่ชอบมันเป็นมิจฉาสติการใช้สติต้องชอบตอนนี้เราชะล่าใจว่ามีสตินะมีสติฝึกสติฝึกสติเราไปชะาใจมีสติปุ๊บจบ ระวังนะอันนี้เราชะล่าใจไม่ได้จบที่สตินะเราปฏิบัติศาสนาเนี่เป้าหมายสูงสุดคือทำให้คนเกิดปัญญาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนหลงงมงายพระองค์พูดไว้ล็อกไว้หมดเลยอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าเพิ่งเชื่อตำราอันนี้อ้างตำราอ้างพระเจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนต้องท่องจานะ ไม่เคยทําตามพระพุทธเจ้าเลยมีแต่ไปจําคําพูดที่พุทธเจ้าพูดเฉยๆแล้วก็ไปตีความคําพูดพุทธเจ้าคาดเคลื่อนคนหนึ่งบอกนิพพานเป็นอัตตาคนนึงบอกว่าอนัตตาเนี่ยผู้รู้ไงผู้รู้ทางวิชาการนะพุทธเจ้าล็อกไปหมดแล้วเป็นเป็นศาสนาที่ว่าพ่อกูบอกแล้ววินาทีที่มันเกิดระเบิดเนี่ยพ่อครูเลิกนับถือพุทธเจ้าทันทีเลยคําว่านับถือนี่มันหยาบไปบูชาถวายชีวิตดุสเดี มีใครจะเก่งขนาดนั้นไปเห็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็รู้วิธีแก้ด้วยแล้วก็ง่ายด้วยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนอะไรทั้งนั้นแหละแค่วางมันก็ว่างมีอะไรง่ายกว่านี้ไหมเพราะคูไม่ได้พูดเล่นนะถวายชีวิตอันสุดท้ายคือสมาธิชอบในมากนะบางคนบอกว่าต้องมีสมาธิติอะไรแะ้วสุดท้ายก็เป็นสมาธิชอบอะไรกันนะ ตัวปัญญาคือเป้าหมายสูงสุดต้องเริ่มจากสมาธิทุกอย่างสติจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมาธิตนเองเป็นกำลังของสมาธิความเพียรเหมือนกันถ้าเราตั้งมั่นนะตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำเราก็ขยันแล้วก็มีความยินดีพึงพอใจมันนะสติมันก็เกิดขึ้นการเจริญมรรคต้องเริ่มจากสมาธิตึกแปดชั้นนั่นเป้าหมายคือชั้นแปด ถ้าถึงชั้นแปดจิตมีปัญญาแล้วจบมันจะไม่โง่ทำให้ตัวเองทุกข์อีกต่อไปแต่มันต้องขึ้นดิฟชั้นหนึ่งเพราะคูไม่ได้เริ่มจากศีลด้วยเพราะคูไม่มีศีลสี่สิบปีเนี่ยศีลห้าบอกไม่ให้ทำไรทั้งหมดองคุริมาลก็ไม่มีศีลฆ่าคนเก้าร้อยาเก้าทำไมบรรลุทำได้อันนี้บังเอิญไตรสิกขาเขาเขียนว่าศีลสมาธิปัญญา มักมีองแปดก็ขยายมาจากใจสิกขานั่นแหละสามกลายเป็นแปดขันห้าพัฒนาไปสู่ปฏิส ม, มุนบาปเป็นสิบสองเราก็ต้องรู้ว่าเขาเขียนมาอย่างนี้นะคือศีลในใจสิกขาเนี่ยตัวศีลตรงนี้เป็นศีลวินัยเออเรามาเข้าค่ายใช่ไหมเรามาศูนย์ใช่ไหมตกลงไหมจะถือศีลห้าหรือศีลแปดดีแต่การปฏิบัติเริ่มต้นจิตนี่ต้องเริ่มจากสมาธิเมื่อสมาธิสงบดิ่งเป็นปกติแล้วเนี่ย ศีลก็แสดงตัวเห็นไหมศีลคือความปกติของจิตเหมือนน้ามันนิ่งเนี่ยเมื่อมันนิ่งแล้วเนี่ยฝุน่นละอองเม็ดหนึ่ ง, งล่วงลงมาเนี่ยมันก็สัมผัสได้ใบมาลุกสมบัตินี่แหละเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นสงบนิ่งแล้วสติก็ตื่นรู้แล้วเนี่ยนั่นแหละอารมณ์ศีลแสดงตัวทำในธรรมธรรมลมเวทนาในเวทนาเนี่ยอารมณ์ข้างนอกเรียกว่าเวทนาอารมณ์ในจิตเรียกว่าทำในธรรมธรรมลมเนี่ยมันแสดงตัวปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นมันชัด เพราะว่าจิตเรามันเป็นศีลแล้วพราะครูเอาชีวิตตัวเองเนี่ยสี่สิบปีให้วิ่งไปตามโลกไปรู้โลกอย่างแจม่มแจ้งยี่สบกปีอยู่ที่นี่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยจะบอกว่าเชื่อไม่เชื่อมันหย่าไปนะเราเชื่องูก็ไม่มีขาเราบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขามันเช่นนั่นเองเราต้องเข้าใจว่า ศีลในมรรคมันคืออะไรเห็นไหมถ้าลำพังศีลห้าเนี่ยทาสานมันทําได้แล้วไม่ต้องถือศีลท้าซานมันมีศีลห้าอยู่แล้วตามธรรมชาติมันไม่กินเหล้าหรอกมันไม่สูบบุหรี่มไม่โกหกด้วยภาษามันก็พูดไม่เป็นที่เราโกหกเพราะเรามีความอยากได้เรามีความรู้ผิดทําให้เราผิดศีล น, นะศีลคือเมื่อจิตมันเข้าสู่สภาวะเดิมมันเป็นศีลอยู่แล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นศีลอยู่แล้ว มันไม่มีความอยากมันไม่มีอนาคตทำไมมันต้องคิดล่ะอย่าว่าแต่ไปโกหกเขานะคิดมันก็ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องสร้างมนโนกรรมเลยไนงะที่เราคิดเพราะเรามีอนาคตเราจึงคิดวางแผนแต่เมื่อมันไม่มีอนาคตแล้วมันไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่ต้องสร้างมนโนกรรมภาษาที่มันเป่งออกมาเป็นแค่ธรรมทานมันไม่ง่ที่จะไปสร้างวิจิกรรมอีกต่อไป ใช่ไหมในขณะที่ผู้รู้เรียนสูงสุดเลยวิจารณ์คนนั้นวิจารณ์คนนี้ก่อนจะวิจารณ์เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เราต้องวิจัยก่อนมาทดลองทดสอบก่อนให้พิสูจน์ว่าให้มันไม่ใช่จริงๆคุณต้องบอกว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรไม่แต่ว่าหนังสือมันไม่ได้บอกพุทธเถรวาทไม่ได้บอกอะไรเนี่ยโอ้แล้วไปว่าครูบาอาจารย์พึ่งเป็นปราชิ์ของสงฆ์ทุกวันนี้ทั้นเขียนปไตยบิดกดกโยไปวิจารณ์ท่านเนี่ยพวกอภว่าคุณว่าเขาเป็นแค่คนบ้าปล่อยเขาเถอะ คนบ้านมันทะเลาะ ก, กันทั้งโลกเลยจบด็อกเตอร์คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยชาวนาบ้านพ่อครูเนี่ยมันสอนควายไถายนาได้เห็นไหมไม่เห็นมันมีเรื่องอะไรเลยนี่แหละตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นหมดนะเอาเป็นว่าพ่อครูเรียงลําดับให้ฟังว่าเราทําอะไรอยู่ไม่ใค่แค่วฝึกสมาธิเวียงสมาธิเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งแต่ไม่ได้ตั้งชื่อด้วยพว่อครูไม่ให้ความสําคัญแบบไม่ใช่มันสมาธิมาเนี่ยต้องสมาธิเนี่ยสำคัญหนึ่งในแป เป็นตัวเริ่มต้นด้วยแต่ชื่อมันไม่สําคัญหรอกอย่าไปตั้งชื่อแต่วิชาการถ้าไม่ตั้งชื่อเหมือนเราไปโรงพยาบาลนะผู้เฒ่าผู้แก่ไปโรงพยาบาลทุกคนเนี่ยจะถูกตั้งเป็นโรคชรลาหมดละ่ะเขาเป็นแค่คนแก่ถ้ามันตั้งชื่อโรวมก็คิดเงินไม่ได้ไงรักษาไม่เป็นนักวิชาการเป็นแบบนี้นะตอนนี้ปฏิบัติธรรมก็ต้องตั้งต้องเรียกว่าสมาธิอะไรกําหนดตรงไหน เขไปเข้าใจว่ากติปธรรมปฏิพัน์คือสมาธิปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคผลนิพพานต้องใช้เครื่องมือโพธิปักขคียธรรมสามสิบเจ็ดประการสมาธิก็เป็นแค่หนึ่งสติเป็นแค่หนึ่งอันนี้ปฏิบัติธรรมปุ๊บก็ไปเอาสมาธิแล้วก็มาจับถูกจับผิดกัน ไ, นไอ้เนี่ยพวกนักวิชาการเนี่ยพวกคูเรียกว่ามันเรียนเกินหรือเปล่านักวิชาเกินคนเดียวต้องจับมาเบี่ยงเยอะ สังคมโลกมันจะได้ดีขึ้นเนี่ยการศึกษานี่มันล้มเหลวนะเรียนให้คนเนี่ยคิดจะพูดคิดจะด่าใครก็นั่นน่ะมันสะใจเนาะคนไหนไม่ทําตามที่เขาคุ้นเคยเนี่ยนะเขาบอกตกนระกหมดลงอาบายหมดเนี่ยนะนี่เขาตัดสินแล้วเนะี่ย น, นี้พอกูเล่าให้ฟังว่าสัตว์แต่ว่ารู้สัตวแต่ว่าเห็นอย่าไปให้หนยัยะแต่เราต้องรู้ว่าพวกเราทำอะไรอยู่ มันนอกกรอบคำสอนพุทธเจ้าจริงไหมนะใครมาอยู่ศูนย์ต้องอยู่หลายๆอย่าอยู่แค่ศาลานะต้องไปเห็นกิจกรรมที่ศูนย์เราทำทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเด็กตันเรียนเจ็ดแปดร้อยคนนี่มาจากไหนเขาคือฐานที่ตั้งแห่งการสร้างทานบา ร, รมีของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วนะเราทำทานทุกวันนะศีลเนี่ย ไม่ต้องถือด้วยเราไม่ทําชั่วแน่นอนเห็นหั้มเราทําดีโดยให้ทานไงเราละชั่วแน่นอนเช้าสายบ่ายเย็นวันหนึ่งหกชั่วโมงเราขัดเจ้าจิตให้ผ่องใสทุกวันถามว่ามีอะไรไม่ใช่มกักอันนี้ไปจับประเด็นเล็กๆน้อยๆก็ไปตั้งชื่อสมาธิเพราะครูไม่เคยตั้งเลยนะคำว่าเวียงทิ้งคือเป็นการเตือนสติอย่าไปติดมันอันนี้ไปตั้งชื่อสมาธิเวียง แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับพระอาจารย์รัตสมาธิหมุนก็โดนด่าอีกอาจารย์รัตก็โดนด่าอีกเขาก็บอกเนี่ยนบัญชาตั้งวงชัยถึงจะทําความดีก็ช่างแต่ก็ตกนรกเพราะว่ามันสอนสมาธิเหวี่ยงไม่ตรงตามที่เขารู้ไงเนี่ยสังคมเป็นแบบนี้เนี่ยน่ากลัวมากและคนพวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราสร้างกระแสว่าการศึกษาสูงสุดคือจบดอกเตอร์ คนพวกนี้พูดเสียงดังแลวคนพวกนี้นะ่ะทำดีก็มีโอกาสดีนะเพราะว่าเสียงดังแต่ถ้าทำพลาด่ตัวเองต้องพิจารณาตัวเองแต่พอกูเห็นแล้วโอ้โหมันแรงขนาดนี้คิดจะว่าคิดจะตำหนิคิดจะตัดสินใครก็เอากันเลยเนาะแล้วมันไม่ใช่อยู่ในวงแคบๆนะมันไปทั่วโลกเลยเอยยกตนข่มท่านมันเป็นสังคมซึ่งน่ากลัวมากมันแรงนะ พเพราะครูบอกแล้วกิเลสมันแรงขนาดนี้ถ้าพวกเราเนี่ยไม่มีเครื่องมือที่แรงกว่านี่เราเอาไม่อยู่นะ ก, ก็พูดให้ฟังว่าการเจริญมรรคเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องประกอบที่พูดเจ้าบอกว่าโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการบางคนก็ไม่เคยได้ยินนะฟังเฉยๆไม่ต้องไปจำหรอกเดี๋ยวมันหนักสมองจะกลายเป็นขยะแต่ต้องรู้ว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไร เวลาเราอยู่ในศาลามันหมุนมันเต้นเนี่ยมันไปกาหนดตรงไหนเหรอหมมันเอากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยฐานทั้งสี่เนี่ยทั้งหมดนี่คือสติปัฏฐานทั้งสี่นะแล้วมันก็ใช้อิทธิบาทสี่มันมีฉันทะมีวิริยะจิตตะวิมังสากับสิ่งที่เราทำถ้าไม่มีฉันทะเนี่ยหมุนสามรอบกูไม่เอาแล้วเนี่ยเวียนหัวอิทธิบาทสี่ก็อยู่ในนี้ สัมมัตประธานสี่นี่ยพวกเราดำร ง, งชีวิตตรงนี้เนี่ยไม่ต้องอาศัยสินสินข้างนอกเราไม่ละเลยนะแต่ถ้าเราเข้าไปสู่จิตแล้วเนี่ยสินข้างในเนี่ยมันไม่ทําชั่วแน่นอนสัมมัตประธานสี่คือมันมีตัวเตือนสติเราสี่ข้อนะสํารวมระวังไม่ให้อกุศลใหม่มันเกิดขึ้นเมื่อเราละชั่วเราไม่เบียดเบียนใครแล้วมันก็ไม่ได้ไปสร้างกรรมอกุศลใหม่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เพียรละอกุศลที่มันมีอยู่แล้วเนี่ย ให้มันออกไปแล้วก็สำรอกทุกวันเห็นหแล้วก็ทำทานทุกวันเพื่อเพื่อล้างความโลภความตนหนีเรานะเนี่ยแล้วก็เพียรสร้างกุศลใหม่ให้มันเกิดขึ้นเห็นไหมที่นี่เราก็สร้างกุศลทุกวันไม่มีวันหยุดนะเออวันเสาร์อาทิตย์เด็กไม่อยู่ตอนนี้เอาละมีลูกหลานมาอยู่กับพ่อครูด้วยก็เลยไม่ต้องมีวันหยุดทำทุกวันญาติธรรมก็เข้ามาเห็นไม เราก็ให้ทานทุกวันเห็นไ้มมันไม่มีอะไรหลุดกอกนะทำดีละชั่วแล้วเราก็ปฏิบัติฝึกจิตทุกวันไม่มีวันหยุดเช่นเดียวกันไม่ใช่วิธีพุทธไม่ใช่พิธีกรรมมันเป็นวิถีพุทธนะเด็กๆไม่ใช่มาเรียนที่นี่นะเด็กๆมาใช้ชีวิตที่นี่ ญาติธรรมที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาทำงานไอาการที่เป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นรูปแบบของอาชีพที่ต่างกันแต่เราก็มาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยชีวิตเราคือวิถีพุทธไม่ใช่ไปรักษาแค่พิธีรีตองนะชีวิตเราเป็นอย่างนี้ทุกวันนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทาอะไรการปฏิบัติธรรมคือการเจริญมรรคต้องดูองค์รวมทั้งหมดไม่ใช่ไปจบอยู่แค่สมาธิเออ คำว่าสมาธิเวียงในพระไตรปิฎกถ้าใช้พระครูแลกเปลี่ยนนะคำว่าพุทธโธในกรรมฐานสี่สิบก็ไม่มีในวิปัสสนาก็ไม่มีคำว่ายุคหนอพองหนอก็ไม่มีแต่มันไม่ได้ผิดครูบาอาจารย์เนี่ยยุคหลวงปู่ม่นมาอาจารย์ใหญ่เราเนี่ยท่านก็ตั้งทฤษฎีตัวนี้เพื่อให้มันจำง่ายลมหายใจเข้าเรียกพุทธออกโธพระไตรปิฎกก็ไม่มียุกหนอพองหนอก็ไม่มี อาจารย์อุบาหขินพม่าเนี่ยเขาไปตั้งทฤษฎีเป็นอริยบทบาทมันแหละมันพอง ม, มันยุบมันไม่ได้ผิดอันนี้คนคนนี้ด็อกเตอร์คนนี้มันด่าไปหมดเลยมันบอกรัธิพม่าะอะไรที่นี่นะเนี่ยของเขาถูกคนเดียวนะไม่มีงานทำเที่ยวด่าคนนั้นคนนี้ทั่วโลกเลยแล้วจะเรียนไปทำไมนะอันนี้เล่าให้ฟังนะแต่พรอครูไม่ได้พูดเพื่อตัวแยง้งไปแต่ว่ามันเป็น เขาสร้างเหตุเขาต้องรับเป็นงแต่ว่าเมื่อพวกมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพ่อคูต้องมีหน้าที่ชี้แจงว่าให้เรามองภาพรวมว่าเราทําอะไรอยู่ไม่ใช่ไปติดแค่สติแค่สมาธิแค่รูปแบบที่เราเคยชิดนะถ้าเราออกไปอินเดียแล้วไม่ใช่ออกไปเที่ยวเหมือนเขานะไปเจาะลึกเลยพ่อคูไปเจาะลึกหมดเลยเป็นร้อยลอยเทคนิคทุกศาสนาเนี่ยเขาทําอะไรบ้านเรากบอยู่ในกาลาฮะ ตอนนี้ครูบาจารย์ท่านเดินธุดงมาเนี่ยเรามีหน้าที่อุปถามนะดูแลนะเป็นโอกาสดีที่ท่านเดินธุดงมาเนี่ยให้เราปฏิบัติแต่เราก็ถวายเขาเรียกว่าชุดคลายกังวลให้ท่านเห็นไหเพราะว่าแนวเรามันเคลื่อนไหวล่ะถ้าท่านไม่ใส่กางเกงเนี่ยมันเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้มันจะไม่อิสระถ้าไปติดรูปแบบอยู่เนี่ยจิตไม่จะอิสระเห็นไหม อุย้ยผิดพิจนัยอะไรเนี่ยอย่างนี้พวกคุณเจ้าท่านไปอาบน้ําท่านก็ใส่จีวรไปอาบน้ําด้วยทําไมต้องมีผ้าอาบน้ําเอาเป็นว่าเราต้องรู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรถ้าใส่กางเกงนี่ไม่ใช่พุทธอย่างนี้ผ้ามาหายานไม่ใช่พุทธหมดตอนนี้เถียงกันผู้เจ้าบอกฉันมือเดียวอะไรเนี่ยตอนนี้พระภิกษุท่านฉันสองมือก็กลายเป็นประเด็นอย่างนี้ผ้ามาหายานท่านฉันสามมือก็ยิ่งไม่ใช่พุทธใหญ่ เนี่ยเขาเอาพูดเท่าหนังสือที่เขาอ่านว่าถ้าไม่ใช่ที่เขาอ่านเนี่ยเขาบอกว่านอกนั้นะตกนรกหมดไม่รู้มันเรียนไปทําไมนะพ่อครูเพิ่งอ่านวันนี้นะรู้ว่าโอ้ตอนนี้สังคมแรงมากแต่ไม่เป็นไรเขาเปิดประเด็นให้พ่อคูมีเรื่องพูดไม่งั้นไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะถามมาเยอะๆเถอะนะแล้วพ่อคูก็ชี้แจงพ่อคูพูดเมื่ อ, อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นความจริง ศาสนาพุทธพร้อมที่จะพิสูจน์ท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทรรมผู้นั่นเห็นเราจาตถาคตอันนี้ไม่ยอมปฏิบัตินะกลัวเสียศักดิ์ศรีเสียเชิงแค่มานั่งส่องดูเฉยๆว่าฉันรู้แล้วแล้วก็เอาไปเขียนนะหลายปีก่อนมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเนี่ยนะสอนที่มาหลาลัยดังแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนะก็เป็นศึกษาวิจัยนะ นะตอนนั้นพ ก, กูมาจากอเมริกายี่สกปีก่อนไปช่วยอาจารย์ลัฐเนี่ยที่แม่เสลียงนย่สอนอยู่สามปีหลังจากพ ก, กูกลับมาด็อเตอร์คนนี้ก็ขึ้นไปไปแค่สองครั้งไปเขียนหนังสือสมาธิหมุนบักเป็นตั้งๆเพื่อเอามาขายนะวิจารณ์แบบไม่ใช่วิจารณ์ในทางไม่ดีนะแสดงเป็นผู้รู้หมดเลยแค่ไปอ่านข้อมูลอ่ะเขียนถูกบ้างผิดบ้างแล้วสุดท้าย โดนเป็ดกู้หลอกเห็นไหมไปดูเป็ดอยู่ในป่านั่นแล้วสุดท้ายเป็ดกู้นี่ก็ถูกจับมาถือว่าหลอกลวงเนี่ยเรียนสูงสุดไงอยากเป็นคนเก่งอยากพิเศษอะไรกว่าเขาอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษก็ยกตนข่มท่านเกาะกระแสนเนี่ยด่าด่ า, ดาเพื่ออยากดังพวกโอ้สังคมทุกวันนี้พวกเราต้องพึ่งตนเองนะนะพระเจ้าบอกอัตเหียตโนนาโถ นะการจันหลงพระาศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปประกาศาศาสนาไปแข่งกับคนอื่นมันขัดแย้งกันไปทั้งโลกผู้เจ้าดําริให้สาวกนี่จาริกไปรประกาศพรมจันชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตั้งลัทธินิกายมาแข่งกันพ่อครูคนหนึ่งไม่ทําอย่างนั้นแล้วศูนย์เราไม่เคยตั้งชื่อเลยนะบอกวิธีพ่อครูวิธีพรอครูพ่อครูถามวิธีพ่อครูเป็นแบบไหนมันไม่มีวิธี มันเป็นนานาจิตตังทุกดวงจิตใช้จริตตัวเองลุยเหมือนเราเดินป่านั่นแหละตื่นมาเราก็มีหน้าที่เดินป่าเป้าหมายเหมือนกันคือออกจากป่าให้มันเร็วที่สุดไม่งั้นไปรอเรียนวิชานะั้นวิชานี้ให้เสือมันมากินให้ไฟไม่ป่าเราเราตายในป่าวตัตฏะสงสารมาหลายรอบละเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อส่วนใครจะเดินซ้ายเดินขวาถนัดแบบไหนก็เอามันเป็นจิตต่างกันไม่ใช่ไปเอาวิชานั้นวิชานีน้ถึงจะถูกถ้าวิชาไม่ใช่ถูกวิชานั้น เธอตกอบายหมดเนี่ยเขาด่าหมดเลยนะไม่เหลือเลยเนะาะพ่อครูบอกอ้เป็นแค่คนเสียสติคนบ้าคนหนึ่งไม่ให้น้ำหนักมีแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่พ่อครูจะได้มีพูดให้เราฟังว่าศูนย์นี้ทำาอะไรอยู่คำว่าศูนย์ศูนย์คือ zero ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันว่างอยู่แล้วถ้า ต, ตั้งชื่อปุ๊บมันจะไม่ว่างทันทีเลยพ่อครูไม่ง่ที่จะทาอย่างนั้น นะมันว่างอยู่แล้วไลยสินห้ามีอยู่แล้วเดือนไปเดือนมามันหายไปไหนหมดเนี่ยเที่ยวด่าคนไม่ไอายทาสานเหรอเห็นไหมทาสานมันมันหิวก็กินม่วงก็นอนมันไม่ได้ผิดสินอยู่แล้วมันไม่มีความอยากทำไมมันต้องไปผิดศินละ่ะเห็นไหมศินมันคือความปกติของจิตและทุกดวงจิตมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเพียงแต่ว่าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปข้างใน ทางโลกอยากก้าวหน้าต้องเปิดตากว้างๆมองไปน่นกว้างไกลมันก็เลยมองข้ามธรรมะไงมันมองไปถึงอเมริกาแถวยุโรปเหมือนบอกคือคือความก้าวหน้ามันจะก้าวไปไหนล่ะแต่ทางธรรมนี่อยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปในจิตเดิมเราไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ที่แท้จริงของเราผู้เจ้าถึงเตือนว่าอย่าพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราแต่อย่าพิ่งปฏิเสธอย่าพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆ ต้องทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองไม่ใช่มานั่งเพ่งดูเฉยๆบอกฉันรู้แล้วโอ้ความรู้ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะต้องผ่านการทดลองทดสอบวิจัยก่อนแล้วค่อยมาวิจารณ์การที่ไปวิจารณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยมันสนุกปาก่มันเป็นวัจีกรรมอย่างยิ่งนะั่นมันจะเหลืออะไรละโลกใบนี้นะไม่เหลือแล้วยิ่งมีเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสาร ผว่เด็กๆต้องฟังนะลูกมาอยู่ที่นี่ฟังพราครูเป็นคนไม่ใช่เต่าพราะครูเนี่ยทันสมัยที่สุดนะอายุ66แล้วเนี่ไม่มีใครทันสมัยกว่าพ่อครูหรอกแต่พ่อครูไม่ตามสมัยพ่อครูรู้เท่าทันสมัยไม่ใช่เป็นทาตมันมันออกรุ่นใหม่ก็วิ่งไปหามันดีใจสองมันก็ออกรุ่นใหม่อีกอันนั้นพวกนั้นตามสมัยไม่ใช่ทันสมัยแต่พ่อครูไม่ปฏิเสธยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้จักใช้มัน ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปหลงมันเป็นาธาตุของมันนะเราตามสมัยเราไม่ทันสมัยนะเยาวชนเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์ไว้ให้ขี่แทนการเดินเพราะทุกอย่างมันเร็วขึ้นแต่เราเอามาสิ้งตายตายตายตายตา ย, ตา ย, ตายโค้งตายหมดเลยเนี่ยโรคนี้เนี่ยเรียกว่าโรคญี่ปุ่นนะมันรุนแรงกว่าโรคหัวใจอยู่นะตอนนี้ โลกอุบัติเหตุเนี่ยโลกซูซูกิฮอนดา้าเพราะเราไปตามสมัยไงเราไม่รู้เท่าทันสมัยนะพ่อครูเนี่ยรู้เท่าทันโลกพก่อครูติดตามโลกตลอดไม้ก่ใช่โลกัจั ก, กรวาลด้วยขื้นมันเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้มันสัมผัสได้แต่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นพูดไปก็แตกตื่นกันเปล่ า, าแล้วก็ตัวเองก็ทําใจไม่ได้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนาะ